เพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558 <c oughs> เป็นวันสิ้นปีเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายจะได้มา ตรวจสอบบัญชีของชีวิตของพวกเราว่าเราได้กาไรหรือขาดทุนเหมือนกับบริษัทห้างร้านเวลาสิ้นปีก็มีการทําบัญชีกันดูรายรับดูรายจ่ายถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่ากําไร จัน้นใดชีวิตของเราก็มีทั้งรายรับและรายจ่ายรายรับนี้เราเรียกว่าบุญรายจ่ายเราเรียกว่าบาปเราก็ต้องมาดูว่ารายรับกับรายจ่ายของเราอันไหนมากกว่ากันปีนี้เราทำบุญมากกว่าทาบาปหรือเราทำบาปมากกว่าทำบุญเพราะมันจะมีผลต่ออนาคตของเรา เหมือนกับผลที่จะมีต่อบอริษัทถ้าบริษัทขาดทุนเรื่อยๆต่อไปบริษัทก็ต้องล้มละลายต้องปิดกิจการไปถ้าชีวิตของเราขาดทุนอยู่เรื่อยๆทำบาปมากกว่าทำมุ่อยู่เรื่อยๆชีวิตของเราก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกันชีวิตของเราล้มเหลวแบบไหนก็ล้มเหลวแบบเวลา หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้เราไปสู่อาบายอาบายก็คือที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตยนรกนี่คือที่ไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่า บาปกบุบนนี้เหมือนกับเป็นม้าสองตัวม้าตัวหนึ่งไปทิศเหนือม้าตัวหนึ่งไปทิศใต้ใจของเราชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเกวียนเกวียนที่จะถูกม้าฉุดลากไปม้าตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวใหญ่กว่าตัวนั้นก็จะดึงไปทิศทางของม้าตัวนั้น ถ้ามาที่ไปทิศเหนือมีกำลังมากกว่าก็จะเดินเกวียนไปทางทิศเหนือถ้ามาไปทางทิศใต้มีกำลังมากกว่าก็จะเดินไปทางทิศใต้ฉันใดบุญกับบาตก็เป็นเหมือนม้าที่จะเริเดินเกวียนคือชีวิตของเราให้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุ ก, กติหรือให้ไปสู่อบายไปสู่ทุกขติ ดังนั้นเราต้องมาสำรวจดูว่าปีนี้เราทำบุญกับทำบาปอันไหนมากกว่ากันยังไม่สายเกินแก้เรายังไม่ตายเรายังเพิ่มบุญได้เราลดการกระทาบาปให้ลงน้อยลงไปได้เพื่อเวลาที่เราตายไปบุญของเรามีกาลังมากกว่าบาปบุญของเราก็จะพาให้เรา ไปสู่สุคติไปสู่การเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทวดาเป็นไปสู่การเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของบุญพาไปเรื่องของบาปพาไปก็จะพาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โต แล้วก็ไปเป็น Break. Break. เปรตเปรตคือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยหรือไปเป็นอสุรกายอสุรกายก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหรือไปสู่มรณะโลกก็คือวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมีความรุ่มร้อนของไฟ นรกเผาใจอยู่สังเกตดูวันไหนเวลาเราที่เรามีความโกรธมีเวลาโมโหโนี่ใจของเราจะล้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานั่นแหละแสะดงว่าเรากำลังสะสมบาปที่จะพาให้เราไปสู่นรกต่อไปวันไหนใจของเรามีความโลภอยากได้อะไรมากๆา อันนันก็เป็นการสะสมความเป็นเปรตให้ต่อไปเราจะได้ไปเป็นเปรตถ้าเราโลภแบบไม่รู้จักมีขอบมีเขตเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรขอให้ได้มาเอาไว้ก่อนและได้มาโดยการกระทําบาปถ้าได้มาโดยไม่ได้ทําบาป ก, ก็ยังไม่ได้เป็นเ ป, นเปรตแต่ถ้าโลภ แล้วไปทำบาปเนี่จะไปเป็นเปรตงั้นขอให้เราระมัดระวังถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรตอย่าโลภมากแล้วเอาความโลภีนทาหามาด้วยการกระทำบาปถ้ายัางโลภแต่ไม่อยากจะปเป็นเปรตก็อย่าไปทำบาปอยากได้อะไรก็ไปทำมาหากินหาเงินหาทองด้วยวิธีที่สุจริต แล้วก็ค่อยพ อ, อได้เงินมาแล้วค่อยไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้อย่างนี้ยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อยู่การที่เราจะเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์นี้อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลห้าได้หรือไม่เราไม่ทําบาปได้หรือไม่ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนอกจากการรักษาศีลห้าแล้วเราก็ต้องทำบุญด้วยทำบุญก็คือมีอะไรก็แบ่งให้คนอื่นมีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาส่วนนี้มาทําบุญเพราะว่าเราจะได้บุญไปกับเราถ้ามีบุญมากบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ชั้นเทพที่มีอยู่หลายชั้นด้วยกันแล้วถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพเรียกว่าสวรรค์ชั้นพรหม เราก็ต้องมาไหว้พระสวดมนต์อย่างคืนนี้เราจะมาส่งท้ายปีเก่าด้วยการไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้ก็คือการฝึกทำใจให้สงบนั่นเองใจของเราที่ไม่สงบเพราะชอบคิดเรื่องราวต่างๆทิ้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาโดยดความโลภเอิความโกรธ เกิดความหลงขึ้นมาไม่มีความสุขต้องไปหาความสุขอยากความโลภเช่นอยากจะดูก็ต้องไปดูคนที่ยังมีความอยากคืนนี้ก็จะไปฉลองตามแหล่งบันเทิงต่างๆยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากริ้มรส ด, ดมกลิ่นยังอยากใจเฮฮาปาร์ตี้อยู่ โลกนี้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเนี่ยต้องไม่หารูปเสียงกลิ่นรสเข้าวัดแทนถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องสละความสุขสวรรค์ชั้นเทพไปคือคืนนี้แทนที่จะไปกินเลี้ยงไป ร้องลำมทำเพลงไปนับถอยหลังกันก็มาวัดกันกับประธานอาหารเสร็จแล้วก็มาวัดมานั่งวะนั่งสมาธิไหว้พระสวมดมนต์ทำใจให้สงบถ้าใจสงบก็จะได้ความสุขระดับพรห ม, มโลกถ้าตายไปก็ได้ไปเป็นพรหมที่สูงกว่าเทพที่มีความสุขมากกว่าเทพ ถ้าเทพนี้เป็นโรงแรมสองดาวชัว้นพรหมก็เป็นเหมือนโรงแรมสี่ดาวแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าระดับชั้นพรหมอยากจะไปเป็นพาาระอรหันต์อยากจะไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็เอามาสอนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราเห็นโทษ ของความโลภของความอยากเพราะเวลาเรามีความโลภเรามีความอยากใจของเราจะไม่มีความสุขใจเราจะ ก, ะกะังวลกังวลกระสับกระส่ายอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้ก็คอยจดจ้องจดเจ่อคอยรอดูคอยฟังดูพอไม่ได้ก็เสียใจพอได้มาก็ดีใจเดียวเดียว แล้วเดี๋ยวความดีใจนั่นก็หายไปเพราะความโลภความอยากตัวใหม่จะโผลขึ้นมาอยากได้สิ่งนี้แล้วก็อยากจะไปได้สิ่งนั้นต่ออยากกินคืนนี้อยากจะออกไปกินเลี้ยงกันกินเสร็จก็อยากจะไปร้องลําทำเพลงกันร้องลําทำเพลงเสร็จก็อยากจะกลับไปนอนกับแฟนที่บ้านนีอันนี้เป็นเรื่องของความอยากเท่านั้นพอตอนเช้าตื่นขึ้นมา ความสุขที่ได้ก็หายไปหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าเหลือแต่ความอยากเที่ยวอยากดูอยากเล่นต่อไปความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาได้ถ้าอยากแล้วไม่สามารถทาตามความอยากได้เช่นสมมติคืนนี้อยากจะออกไปเที่ยวอดีไม่สบายเป็นไข้หวัดหรือ เป็นไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นจากเตียงได้คืนนี้แทนที่จะไปมีความสุขอยากการเลี้ยงฉลองก็เลยต้องมีความทุกข์กับนอนอยู่บนเตียงแต่คนที่ไหว้พระสวดนมนต์ได้นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้จะไม่เป็นปัญหาร่างกายไม่สบายแต่ใจยังสบายอยู่ใจยังสวดนมนต์ได้ ใจยังทำใจให้สงบได้ใจยังมีความสุขได้นี่คือประโยชน์ความแตกต่างของความสุขของระดับพรหมของระดับพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขของพรหมนี่ยังเป็นความสุขชั่วคราวไม่เหมือนความสุขของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นความสุขที่ถาวร ความสุขของพรหมนี้มีวันเสื่อมมีวันหมดไปได้เพราะว่าได้มาด้วยกำลังของสติสติถ้ามีกำลังก็สามารถทำใจให้สงบได้พอสติหมดกำลังความอยากความโลภ ก, ก็จะดันใจให้ออกมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะต้องเลื่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นครม มาสู่สวรรค์ชั้นเทพก่อนมาหารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก่อนพอกำลังของบุญที่ให้เสบรูปทิพย์เสียงทิพย์ได้หมดไปก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาหาลูปทางตาหูจมูกลิ้นกายหารูปเสียงกลิ่นลดใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ถ้าบาปมากกว่า บ, บุญตายไปก็ลงไปอบายต่อ ลงไปถึงนรกแล้วเมื่อหมดใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ขึ้นๆลงๆตามอำนาจของบุญของบาปที่พวกเราได้กระทำกันไว้ในแต่ละวันแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาขึ้นๆลงๆเราก็ต้องทาบุญขั้นที่สูงสุดที่เรียกว่าปัญญา ปัญญานี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้มันเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้สามีได้ภรรยามาเดี๋ยวก็ต้องเสียไปได้ลูกได้หลานมาเดี๋ยวก็ต้องจากกันไป ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวจึงเป็นความสุขปลอมสุขในขณะที่มีอยู่พอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราหายไปความสุขนั้นก็หมดไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ เวลาไปงานศพคนก็หัวเราะ ก, กันหรือว่าเขาร้องไห้กันเขาร้องไห้เพราะเขาสูญเสียสิ่งที่เขารับสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาไปเพราะว่าเขายึดติดกับเขาอาศัยบุคคล น, นั้นให้ความสุขกับเขาพอบุคคล น, นั้นไม่อยู่กับเขาแล้วเขาก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้าะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ได้มาแล้วจะทุกข์แล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าพอเสียไปก็อยากได้ใหม่เสียแฟนไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ได้แฟนใหม่มาแทนที่เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะไม่รู้จักทำใจให้สงบนั่นเองเราจึงต้องมาสวดมนต์ข้ามปีกันในคืนนี้เพื่อมาหัดทาใจให้สงบ แต่ไม่ใช่สวดแค่คืนเดียวถ้าสวดคืนนี้แล้วควรจะสวดต่อไปทุกๆคืนจนถึงสิ้นปีหน้าสวดมันไปทุกคืนจนให้มันติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปเราจะสามารถทำใจของเราให้สงบได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะใช้คำสอนคือปัญญาของพ่พระพุทธเจ้ามาสอนมาเตือนใจ ไม่ให้เราไปอยากได้อะไรไม่ให้ไปอยากมีอะไรพอเราตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดแล้วใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้เราไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ดันที่ผลให้เราต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าชาตินี้เราสามารถนั่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วสอนใจให้หยุดความอยากทต่างๆได้ใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจของเราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันต์ที่พระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมานับถอยหลังกันปีแล้วปีเล่านับเท่าไหร่ก็เท่านั้นได้ความสุขเดียวเดียวคืนนี้ออกไปเที่ยวก็สนุกกันพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาความสุขก็หายไปหมดแล้วก็ต้องหาใหม่รอปีหน้ามานับถอยหลังกันใหม่ถอยไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพอตายไปความอยากยังมีอยู่ความอยากก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่อีกตอ่อ ท่า น, นั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปจากใจจากชีวิตของพวกเราด้วยการทำทานทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ฝึกทาใจให้สงบ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาสอนมาเตือนใจเราให้ละความโลภความโกรธความหลงให้ละความอยากต่างๆคนเหล่านี้ไม่โลภ ก, ก็อยู่ได้ไม่โกรธก็อยู่ได้ขนาดนี้โยมก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรโยมกับมีความสุขมากกว่าเวลามีความโลภมีความอยาก ถ้าตอนนี้อยากจะสูบบุหรีจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะรู้สึกงุดยึดจะต้องลุกออกไปข้างนอกเพื่อที่จะได้สู่บุหรี่หรืออยากจะคุยกับใครก็ต้องออกไปข้างนอกนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นี่แหละตัวอย่างของความอยากความอยากจะทํำให้ใจเราต้องดิ้นอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วอยู่สบาย ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องเดิมไม่ต้องรับประทานอะไรใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นเหมือนกับอาหารอันเลิศอันโอชะที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดขอให้พวก <S <S พวกเราตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงกัน ให้เราได้ไปพระนิพพานกันให้เราอย่ากลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดกันอีกเลยด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ทําใจให้สงบด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะมาละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราแล้วชีวิตของพวกเรานับตั้งแต่วันนี้ไป จะมีบุญมากกว่าบาปทุกภพทุกชาติถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานก็จะเกิดในสุคติเสมอนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งพวกเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกพวกเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาตรวจเช็คดูบัญชีของพวกเราว่าปีนี้เราทำบุญมากกว่าทำบาหรือทำบาปมากกว่าทำบุญถ้าทำบาปมากกว่าต่อให้เรารีบทำบุญกันให้มากๆอย่าให้ติดลบ พยายามทําให้บัญชีติดบวกอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราอาจจะไม่มาตายในวันสิ้นปีก็ได้เราอาจจะตายในวันต้นปีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้บัญชีติดลบอยู่รีบทําให้มันติดบวกเสียไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเกิดตายไปแบบกระทานหันจะต้องไปใช้หนี้ใช้กรรมในอบายจึงขอฝ่าความ จริงเหล่านี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย